ยศภาคีดำเนินจอมมารเท่าสารพัดพษตอนีา5ตอนขอ ง, ของวิเศษสุดใ<ห>นแผ่นดินณสำนักไตรบุผาเน้นน้อยรูปหนึ่งปรากฏกายขึ้นลักษณะใบาหน้าผ่องใสรูปร่างท่าทางสมส่วนธมัมะถม่งเหมาะแก่การฝึกเปลือวิทยายุทธเป็นอย่างยิ่งเน้นน้อยรูปนั้น สาวเท้าเข้ามาโดยที่สิทธิ์ทั้งสี่ไม่ทันได้รู้ตัวพร้อมเอ่ยวาจาวะพี่ท่านข้าขอรบกวนข้ามีเรื่องด่วนต้องการพบเจ้าสานักของท่านสิทธิ์ทั้งสี่พลันลุกขึ้นสนหิมะสิทธิ์ผู้พี่จึงเอ่ยถามขึ้นก่อนเจ้าเป็นผู้ใดาจากสานักไหนมีเรื่องด่วนอันใดที่จะขอพบท่านเจ้าสำนัก เนนน้อยขยับตัวจะเดินหน้าเข้าสู่ห้องภายในข้ามีเรื่องด่วนที่รับเฉพาะไม่อาจากล่าวแก่ท่านจงรีบตามเจ้าสํานักของท่านมาเร็วไวเถิดสนหิมะเอามือกลางกั้นมิให้เนนน้อยสืบเท้าต่อไปพลางว่าท่านอาจารย์กําลังเข้าชานอยู่ห้ามผู้ใดรบกวนเด็ดขาดเนนน้อยสีหน้าแปลเปลี่ยนถ้าเช่นนั้นข้าขอล่วงเกินพร้อมกันนั้น ก็ทยางกายขึ้นหมายจะไปที่ประตูเหล่าสิทธ์ทั้งสีจึงลุกหน้าสกัดกั้นทันควันพร้อมกับตะ ว, วาดเสียงดังว่าช้าก่อนเจ้าเนน้อยเจ้าบังอาจนักเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครใ ย, ยเสียอะไรายาบมาโอหังในสำนักใต้บุพภาแห่งนี้เนน้อยหาฟังไม่ซั์พลังดัชนีปรากฏเป็นแสงสีต่างๆเข้าใส่สนหิมะ สนิมะระวังตัวอยู่ก่อนจึงใช้เคล็ดวิชาท่าเท้าปฏิหารปากัวลบปลีกแยกแยะแสงสตงีต่างๆที่พุ่งเข้ามาต่างหาฝนตามเคล็ดวิชาไฟข่มทองทองข่มไม้ไม้ข่มดินดินข่มน้ำน้ำข่มไฟและติดตามด้วยพลังไท้จีอ่อนสยบแข็งก้าวไฟเสริมดินดินเสริมทองทองเสริมน้ำน้าเสริมไม้ไม้เสริมไฟ เนยนน้อยจึงรวบรวมพลังดัชนีอรหันทรัดเข้าใส่สนหิมะปรากฏเพ็นพลังอันมหาศาลสามารถที่จะกลายหินผาให้เป็นผงได้ฝ่ายสนหิมะและเห็นเช่นนั้นจึงใช้เคล็ดวิชาพลังดัชนีกระบี่ห้าชีบจรเข้าประทะด้วยทันใดนั้นร่างของท่านมังกรที่วาเจ้าสำนักไตบุกผาปรากฏขึ้นพร้อมเสียงดังกึกกรองว่า เจ้าทั้งสองหยุดมือเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงปรากฏขึ้นพลังตึงทั้งสองไวไม่ให้ไหวติงแล้วเจ้าสำนักไดเอ๋ยถามเนนน้อยว่าเจ้าเป็นผู้ใดมีธุระอันใดกับข้าเนนน้อยตอบว่าข้ามีนามว่าเสี่ยวป่อเนอนเกยสิศิ์อยู่ที่วัดเสี่ยวลิมยี่ท่านเจ้าอาว่าให้ข้าไปช่วยท่านประมุกสานักเอกบูบลิม ท่านเจ้าสำนักเอกบูริมเห็นว่าบัดนี้มีเพศไพยเกิดขึ้นมากมายในยุทธภพจึงให้ข้ามาเรียนเชิญท่านบังกรท่ว่าออกช่วยกาจัดเพศไพรฮ่าฮเจ้าเนนน้อยยายเจ้าสำนักเอกบูริมนีทราบว่าเราชาวยุทธติดตั้งฉายาข้าว่าจอมมารเท่าสารพัดผิดผิดันกฎเกณฑ์ของยุทธภพข้าไม่ได้สนใจอย่าบังคับใครทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เลย ข้าจะกระทาในสิ่งที่ข้าเห็นสมควรเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งเวลานี้กิจใดๆของชาวยุทธและชาวโลกข้ามิได้มีอีกแล้วข้าคงเหลือกิจเพียงทางทำเท่านั้นเจ้าเข้าใจหรือไม่ท่านมังกรทิวาประมุกเอกบูลิมไม่ได้เชื่อคำกล่าวหาใดๆที่ชาวยุทธกล่าวว่าท่านทั้งยังเห็นว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยปลาเพทภัยต่างๆได้นะข้าไม่คู่ควรทำไมท่านไม่ไปเชิญจอมยุทธเทียนลุยใต่เหียบผู้กล้าหารสายฟ้าแห่งสำนักป่าไัยคุณธรรมซึ่งเรื่องลือนามในยุทธภพมากว่า10ปีมาแล้วว่าท่านมีพลังยุทธที่คมกล้าเร็วแรงวิชาตัวเบาลําเลิศ ประดุดล่องหนภายหลังเบื่อหน่ายการแก่งแย่งชิงดีในยุทธภพปีกตัวเลนกายเข้าป่าลึกอยู่ที่ป่าภัยมรกฏแล้วยังมีท่านซื้อเจ็กแห่งวัดเซี่ยวลิมจี่ท่านผู้เท่าแปะนานซึ่งโด่งดังแต่สมัยท่านภิกษุควบสิงยังมีชีวิตอยู่ใหญ่พวกท่านมองข้ามไปได้ ท่านปมุกเอกบูลิมทราบมาว่าท่านมังกรที่วาได้ครอบครองตำราพิชัยยุทธที่สามารถนำมาใช้ช่วยยุทธภพได้ข้าว่าท่านม่ควรปฏิเสธคำเชิญหรือไม่เช่นนั้นท่านควรนำตำราพิชัยยุทธนี้ให้เราผู้ก้านนำมาใช้เนนน้อยมิทันกล่าวจบท่านมังกรที่วา่าฟาดฝ่ามือลงโต๊ะศิลาฝุ่นผงกระจุยในพริบตาเนนน้อยหน้าซีเพือก เงือแตกซ่านทั้งกายชิดชะเจ้าเน้นน้อยช่างบังอาจนักนักท่านเจ้าสมนักเอกบูลิ้มข้ารู้จักดีในคุณธรรมเน้นน้อยอย่างเจ้ากล้าชกช่วยโอกาสชิดเอาตาลาพิชัยยุทธเจ้ายังเยาววัยมียนาคตกว้างไกลข้าจะสั่งสอนเจ้าอันของวิเศษในแดนดินผู้มีวาสนาจึงได้ครอกครองแม้นไรวาสนาอยาคิดบังอาจ ต่อให้ขอ ง, ของวิเศษมโ<อ>ยมรวมกันต ร, ตรงหน้าก็ ม, มิอาจครอบคล อ, องข้ายัางจำได้ดีก่อนที่ข้าจะสำเร็จการฝึกฝนอย่างหนักจากเขาโง่ไทยส่วนั้นอาจารย์ข้าทดสอบข้าอย่างหนักกว่าจะให้ข้าลงเขามาได้ในวันที่ข้าจะลงเขานั้นท่านอาจารย์เปิดถ้ำให้ข้าให้ข้าเลือกของวิเศษซึ่งมีมากมายจนลานตา ทั้งแก้วสุริยันแก้วจันทากระบีมะะ่มรกตแก้วเขียวอมอโกรธแก้วประพาส้มชื่นไขมุกวิเศษเทพฤทธิ์เล็กไร้เจ็ดสีอีกทั้งศิลาปักษาเพิ่งแต่จิตข่ากับวางเปล่าไม่คิดครอบครองแม้ท่านอาจารย์จะบอกกล่าวให้ยิบหนึ่งจะได้สาม่ากับแ赖เห็นของวิเศษในถ้ำประดุษดังธาตุดินอันเป็นสมบัติของโลก ได้แต่สายหน้าไม่คิดครอบครองสมบัติใดๆใต้พื้นโลกนี้ข้ารนไมิต้องการบัดนลปัตพีสันสะเทือนหรือลั่นข้ารู้ถึงการเปลี่ยนท่าธรรมของข้าได้เลื่อนสูงขึ้นอย่างฉับพลันพร้อมเสียงสาธุ ก, การแห่งท่านอาจารย์ข้าว่าดีแล้วประเสริฐแล้วเจ้าจงลงเขาไปได้เมื่อเจ้ารู้ถึงแก่นแท้แห่งความเป็นไปของโลก ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องเรียนรู้อีกเจ้าจงจำให้มั่นว่าอันชีวีของคนหลอนี้ล้วนมีเกิดมีแก่เจ็บตายทุกแห่งผนเมื่อรู้ธรรมประกอบตนจงอดทนหยุดเวียนวนเร่งเพียรมุ่งนิพพานเถิดสิ้นเสียงท่านอาจารย์มหาปัญญาได้เกิดแก่ข้าทันทีทันใด โสสุจลักสะทิธินาจิตจิตอมฤตตะสุพุทธานุจิตจิตผู้ใดพบแล้วด้วยพุทธานุภาพภาพทำให้จิตสว่างสดใสเจอเจ้าด้วยจิตอันยิ่งใหญ่จิตรุ่มลึกเป็นอมตะธรรมซึ่งในธรรมด้วยจิตจิตจิตถึงในพุทธะอยู่พบได้ด้วยสุขอันลําเลิศ ยังจะได้พบต้นกรลับผึกสี่มุมเมืองท่านจะประสงค์สิ่งใดก็ให้นึกนึกต้นกัะลประผึ๊กจะเชิดชูทุกหมู่เราให้สําเร็จตามความประสงค์มนุษย์เราสุขสบายหลายประการเหมือนท่านได้แก้วกิเศษได้ตามความปรารถนาทุกประการเน่น้อยทราบซึ้งในคําสอนสั่งของท่านมังกรที่วาญิ่งนักจึงกล่าววาจาขออภัยที่ได้ล่วงเกิน และคิดมอบตัวรับใช้ท่ำมังกรทิวาเจ้าสำนักไตบุผาสืบไปหมายเหตุเนนน้อยเกียสิทธ์เนนน้อยเสี่ยวป่อสิทธิเซี่ยวลิมยีรุ่นบ่อเฮงสำเร็จวิชาดัชชนีอรหันต์สามารถสลักหินผาเป็นตัวอักษรหรือว่าภาพใดได้ไดสเสมือนหนึ่งเช้ปลายพูกกันนับว่าเป็นอัจฉริยะในรุ่นอีกครั้งเป็นที่เอนดูแห่งเรา อาจารย์ในสำนักเสี่ยวลิมยี่ท่านเทียนลุนไตเหยบสิทธิ์ซือเฮียแห่งสำนักเสี่ยวลิมยี่ที่มีประวัติอันเกลียงไกล่ได้ปลีกตัวออกมาสร้างสำนักป่าภัยคุณธรรมอันเรื่องชื่ออยู่มินานเบื่อนายแกเ่เาชาวยุทธคิด ป, ปะฝีมือชิงความเป็นเจ้าจอมยุทธแห่งบุริมจึงปิดตัวเองเข้าสู่ป่าลึกไัยมร ก, มรกจวบจนบัติ ทิ้งประวัติเกียงไกให้เหล่าผู้กล้าเอ่ยนามท่านผู้เท่าแปะหนานสิทธ์ซื้อเจกแห่งสำนักเสี่ยวลิมยี่ประวัติโด่งดังและเป็นที่เคารพเก่งขามแห่งสิทธ์เสี่ยวลินยี่ทุกผู้ทุกนามด้วยเป็นผู้ที่ท่านพิกษุ์หวบสิงประมา จ, จารย์แห่งวิชาหัวสิงอันลือชื่อแห่งเสี่ยวลิมยี่ตามมาเกิดและฝึกเปลื้วิชาจนแก่กล้า ภายหลังที่ท่านปรามาจารย์ล่วงลับจึงออกสู่ยุทธภพไม่มีผู้ใดคิดกล้าปะมือจนทุกวันนี้ท่านพิสุขพบสิงปรามาจาร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักเสี่ยวลิ่งยี่อันเกลียงไกรซึ่งบัดนี้ได้ล่วงลับไปแล้วทิ้งประวัติที่ยิ่งใหญ่แห่งวิชาพบสิงและตำราพิชัยยุทธที่โด่งดังด้วยผู้ฝึกสำเร็จแม้หนึ่งเดียวก็ช่วยผู้คนได้ทั้งเมือง จึงเป็นที่ขนานนามแห่งชาวยุทธภพจวบจนบัดนี้